ทำบุญแล้วหวังผลบุญเหมือนทําดีเพื่อเอาดีเข้าตัวควรทาอย่างไรถามเวลาจิตคิดจะทําความดีเช่นสวดมนต์ไหว้พระอนุมุทนาบุญกับคนอื่นก็เพื่อหวังผลจะแก้อย่างไรดีเพราะเหมือนทําดีเพื่อเอาดีเข้าตัวตอบอธิษฐานวังผลต่อไปแต่เป็นถ้อยคําเนียวนําในทางที่ดี ให้เกิดพฤติกรรมทางจิตแบบปล่อยวางเช่นหลังสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานให้เราพูดกับคนอื่นได้ด้วยใจคิดสรรเสริญมากกว่าคิดนินทาเหมือนอย่างที่เปล่งวาจาสรรเสริญพระราตนทรัยหลังทำทานให้อธิษฐานว่าจงสละกิเลสอื่นๆได้ง่ายและสบายใจเหมือนให้ทานครั้งนี้ เวลาอนุโมทนาให้อธิษฐานว่าจงมีใจยินดีปลาบรืมร่วมกับผู้ได้ดีโดยธรรมไม่อิจฉาฤศยาใครเหมือนอย่างที่อนุโมทนาบุญคนอื่นเช่นนี้